ตอนที่เจิ้งหยุนฉงคือชายชู้คนนั้นสายตาเย็นชาของเจิ้งหยุนฉงตกลงบนร่างของหลิวเคอเคอเขาไม่รู้จักนางแต่ชายที่อยู่ข้างกายนางนั้นเจิ้งหยุนฉงรู้จักดีโจเจีนเ้นี้เขานึกว่าอย่างน้อยต้องอีกสักสองวันถึงจะกลับมาไม่นึกเลยว่าจะกลับมาเร็วขนาดนี้สวัสดีครับท่านรองผู้พันเจิง้งโจเจี้นี้มีตำแหน่งทางทหารต่ำกว่าจึงต้องทำความเคารพและทักทายผู้บังคับบัญชาเจิ้งหยุนฉงตอบรับด้วยน้ำเสียงราบเรียบ อืมก่อนจะตั้งข้อสงสัยในคำพูดที่หลิวเคอเคอกล่าวออกมาเมื่อครู่ดูเหมือนเจ้าจะไม่เยอยากให้ข้ามีชีวิตอยู่เท่าไหร่นะการที่เขาได้รับบาดเจ็บปางตายจากการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นอกจากหลีชิงถิงสองแม่ลูกพ่อแม่ที่บ้านและผู้บัญชาการกองพลแล้วคนนอกไม่มีใครรู้เรื่องเลยแล้วหลิวเคอเคอไปรู้มาจากไหนสายตาคมกริบกวาดมองหลิวเคอเคอเขาพลันสังเกตเห็นระยะห่างที่ดูสนิทสนมเกินควรระหว่างนางกับโจเจี้ยนเย่แวาตาของเขาก็ไหววู้ไปเล็กน้อย ท่านรองผู้พันครับเคอเคอไม่ได้หมายความอย่างนั้นนางคงจะจําคนผิดนะครับโจจี้นเย่ยรีบอธิบายแทนหลิวเคอร์เคอเพื่อให้เรื่องผ่านไปหลิวเคอเคอร์ถูกจ้องจนรู้สึกเสียวสันหลังว่านางพยักหน้าอย่างแข็งทื่อยอมรับตามที่โจจี้นเย่ยกล่าวทว่าในใจกลับเกิดคลื่นยักย้ายโถงกระนำเจิ้งหยุนชงไม่ควรจะตายในระหว่างปฏิบัติภารกิจห ร, อหรือทําไมตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ดีละ่ะไม่ถูกสิ ชาติก่อนเจิ้งหยุนชงควรจะตายไปแล้วในเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่แบบนี้แล้วเจี้ยนเย่จะเลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้พันได้อย่างไรฝ่ามือของหลิวเคือเคยชุ่มไปด้วยเหงื่อนางไม่รู้ว่าขั้นตอนไหนที่ผิดพลาดไปรองผู้กองโจท่านนี้คือเจิ้งหยุนชงถามเสียงต่านี่คือผู้สื่อข่าวหลิวจากสถานีโทรทัศน์ครับภารกิจครั้งนี้ข่ากับนางคำพูดยังไม่ทันจบเจิ้งหยุนชงก็ขัดขึ้นเสียก่อน อ๋อที่แท้ก็เป็นแค่ผู้สื่อข่าวข่าก็นึกว่าพวกเจ้าสองคนกําลังคบหากันอยู่เสียอีไม่ใช่ครับโจเจนเย่ปฏิเสธโดยสัญชาตญาณความสัมพันธ์ของเขากับเคอเคอยังไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการในเมื่อไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันข้าก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีนะรองผู้กองโจสามารถออกหน้าปกป้องคนที่ไม่เกี่ยวข้องกันได้ถึงเพียงนี้แล้วทําไมเสียงของเขาหยุดชะงักลงเจิ้งหยุนชงไม่คิดจะกล่าวต่อเขาเปลี่ยนหัวข้อสนทนาทันที เราพูกองโจการเลื่อนตำแหน่งไม่ได้ดูแค่ความสามารถส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังดูไปถึงศีลธรรมส่วนบุคคลด้วยนะโจเจี้ยนเย่ยขมวดคิ้วนี่เขาหมายความว่าอย่างไรเจิ้งหยุนชงกําลังด่า ว, ว่าเขาเป็นคนไร้ศีลธรรมอย่างนั้นหรือก่อนหน้านี้เขาจะไม่ได้ว่าเคยไปล่วงเกินเจิ้งหยุนชงที่ไหนเลยนะโจเจี้ยนเย่ยาปากตั้งแท้จะถามให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่เจิ้งหยุนชงไม่อยากเสียเวลาพูดจาไร้าสาระกับเขาจึงก้าวเท้าเดินจากไป โจเจียนเ ย, ย่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่ที่เดิมเนิ่นนานจนวิญญาณแทบจะหลุดลอยจนกระทั่งหลิวเคอรเคอรส่งเสียงเรียกเขาจึงได้สติกลับมาเจียนเ ย, ย่คุณวางแผนจะกลับบ้านเกิดเมื่อไหร่คะวันนี้พวกเขาเพิ่งกลับมาถึงเขตทหารพรุ่งนี้โจเจียนเ ย, ย่ต้องไปรายงานผลภารกิจกับผู้บังคับบัญชาอีกสักสองวันลังมั้งมีอะไรหรือเปล่าเปล่าข้าฉันแค่อยากกลับไปพร้อมกับคุณหลิวเคอเคอยิ้มบางๆแน่นอนว่าถ้าคุณเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ไม่เป็นไรคะ่ะไว้ค่อยว่ากันเถอะ โจเจี้ยนเย่ยรู้สึกกระวนกระวายใจเพราะคำพูดของเจิ้งหยุนฉงเขารู้สึกว่าคำพูดเหล่านั้นมีความในแฝงอยู่เคิร์เคิร์วันนี้คุณรีบกลับไปเถอะไม่ได้กลับบ้านานางขนาดนี้คุณลุงคุณป้าต้องเป็นห่วงแน่ๆอืมได้ค่ะหลิวเคิรเคิร์พยักหน้าเบาๆหลังจากนางจับไปโจเจี้ยนเย่ยกลับไปที่หอพักก็นอนไม่หลับทั้งคืนเขาพลิกตัวไปมาบนเตียงพางครุ่นคิดถึงสิ่งที่เจิ้งหยุนฉงพูดทว่าสิ่งที่โจเจี้ยนเย่ยไม่รู้ก็คือหลิวเคริรเคิร์ไม่ไได้้้กกกลลลัััับบบบาานนนนเเยยแต่งงอออปรรรืพ มีเรื่องหนึ่งที่นางต้องรู้ให้ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจิ้งหยุนชงมาทําอะไรที่เรือนพักรับรองผู้นําระดับรองผู้พันอย่างเขาหรือว่าจะมีญาติพักอยู่ที่นี่กันแน่ตอนแรกหลิวเคอเคอร์อสอบถามสหายที่เรือนพักรับรองแต่อีกฝ่ายกลับไม่ยอมไปปากพูดแม้แต่คําเดียวจนกระทั่งหลิวเคอเคอต้องมัฐานะผู้สื่อข่าวออกมาอ้างสหายที่ฉันมาสืบสวนย่อมมีเหตุผลของฉันหวังว่าคุณจะให้ความร่วมมือนะ สหายที่เรือนพักรับรองลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยอมบอกข้อมูลแก่นางคนที่ท่านรองผู้พันเจิ้นจัดหาที่พักให้คือสองแม่ลูกผู้หญิงชื่อหลีชิงพิงเด็กหน้าจะอายุประมาณแปดก้าขวบได้ซิ้นคำพูดนั้นหลิวเคริรเคิรก็ยืนอึ้งอยู่กับที่หลีชิงพิงนั้นไม่ใช่ภรรยาเก่าของโจเจี้ยนเย่หรอกหรือแม่ของโจเจี้ยนเย่ยเคยเขียนจดหมายมาบอกว่าหลีชิงพิงหาที่พึ่งใหม่ได้แล้วสรุปว่าชายชูที่ว่าก็คือเจิ้งหยุนฉงอย่างนั้นหรือ อีกอย่างลูกสาวของโจเจียนเยี่ยไม่ใช่เด็กไม่กี่ขวบแต่ควรจะอายุสิบกว่าปีแล้วอาจจะเป็นเพราะเด็กคนนั้นดูตัวเล็กกว่าอายุจริงข้อมูลที่ได้รับมันหนักหนาเกินไปจนหลิวเคอเคอร์อญาจะยอมรับได้ในทันทีสองคนนี้ไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรคนที่ควรตายกลับไม่ตายหลิวเคอเคอคิดไม่ตกคนสองคนที่ดูเหมือนจะไม่มีทางโคจรมาพบกันได้กลับมีความเกี่ยวข้องกันขึ้นมาเสียอย่างนั้นนางไม่รู้ว่าควรจะดีใจที่หลีชิงผิงแย่กับโจเจียนเย่ยดี หรือควรจะโกรธที่เจิ้งหยุนชงไม่ตายจนทําให้โจเจีเจ้ยนเยี่ยไม่สามารถเลื่อนตําแหน่งได้ดีสมองของนางวุ่นวายไปหมดในขณะเดียวกันก็มีความคิดที่บ้าบิ่นผุดขึ้นมาหรือว่าหลีชิงพิงจะกลับชาติมาเกิดเหมือนกับนางเมื่อตระหนักถึงจุดนี้แผ่นหลังของหลิวเคริรเคิรก็เริ่มเย็ยนวาบและมีเหงื่อซึมออกมาหลังจากคิดทบทวนไปมาหลิวเคิร์เคิร์กตัดสินใจว่าจะต้องชิงลงมือก่อนไม่ว่าหลีชิงผิงที่จะทําอะไรนางจะต้องเป็นฝ่ายรู้ก่อนเสมอ หลิหวันยืนอยู่ที่หน้าต่างมองตามร่างของหลิวเคอเคอที่เดินโซซัสโซเซจากไปไกลด้วยสายตายเย็นชาเสียวหวานมองอะไรอยู่ลูกเมื่อหลิวชิงพิงเดินมาหยุดอยู่ข้างหลังนางหลิวเคอเคอก็เดินไปไกลแล้วแม่จะไม่มีอะไรหรอกหลิหวันส่งน้ำผู้วิญญาณให้แม่ดื่มน้ำหน่อยนะจ๊ะน้ำผู้วิญญาณช่วยแก้เลียนและบรรเทาอาการไม่สบายท้องได้หืมน้ำนี่อร่อยจังหวานชื่นใจเชียวหลิวชิงพิงไม่ได้คิดอะไรมาก นางคิดว่าน้ำในเมืองคงจะรสชาติดีแบบนี้เองอย่างไรเสียทุกอย่างที่นี่ก็ดีกว่าในหมู่บ้านทั้งนั้นน้ำผู้วิญญาณยังมีสรร พ, พคุณช่วยบำรุงความงามด้วยนะดื่มบ่อยๆ ย, ย่อมมีประโยชน์มหาศาลหลี่หวานครุ่นคิดอย่างมีเลสไนในเมืลิวเครอรเคอรกลับมาแล้วเช่นนั้นพ่อราคาถูกของนางก็คงกลับมาแล้วเหมือนกันใช่ไหมคืนนั้นผ่านไปอย่างเงียบสงบวันต่อมาลีชิงผิงเตรียมจะพาเสี่ยหวานไปดูบ้านในเมืองอีกรอบเพื่อจะได้รีบซื้อให้จบเรื่อง การพักอยู่ในเรือนพักรับรองนานๆไม่ใช่เรื่องดีนักลูกสาวของนางยังต้องเข้าโรงเรียนอีกบ้านที่ซื้อควรจะอยู่ใกล้โรงเรียนสักหน่อยพวกนางกำลังจะก้าวเท้าออกจากห้องก็พบเจิ้งหยุนชงไม่รู้ว่ามายืนรออยู่ที่หน้าประตูตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูชายหนุ่มก็ยืดแผ่นหลังตรงวันนี้จะไปดูบ้านใช่ไหมข้าจะไปเป็นเพื่อนพวกเจ้าเองจะลำบากท่านหรือเปล่าคะ ลี่ชิงพิงคิดว่าโจวเจี้ยนเย่ที่เป็นแค่ผู้กองอย่างยุ่งจนไม่กลับบ้านนับภาษาอะไรกับเขาที่เป็นถึงรองผู้พันไม่ลำบากหรอกเจิ้งหยุนโฉมกล่าวเสียงต่ำข้าเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจมาช่วงนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนพอดีตกลงข้าลี่ชิงพิงพยักหน้าการมีผู้ชายไปด้วยย่อมมีข้อดีเจ้าของบ้านจะได้ไม่กล้าโกงราคาเพียงเพราะเห็นว่าพวกนางเป็นแค่ผู้หญิงกับเด็กอรุณสวัสดิ์ค้าคุณอาเจิง้งหลี่หวานยิ้มจนตาหี เมื่อเช้านี้แม่ซื้อสลาปเปาไซ้ถั่วแดงมาให้หนูคุณอาจะทานด้วยกันไหมคะได้สิเจิ้งหยุนชงไม่ปฏิเสธหลหวานส่งให้เขาพลางเอ่ยชมคุณอาเจิ้งสลาปเปาไซ้ถั่วแดงที่แม่ซื้อมาอร่อยมากเลยนะจ๊ะเสียงของเด็กสาวนั้นนุ่มนวล น, น่าฟังเจิ้งหยุนชงฟังแล้วรู้สึกรื่นหูยิ่งนักทั้งสามคนเดินไปตามถนนดูไปแล้วช่างเหมือนครอบครัวพ่อแม่ลูกไม่มีผิดพี่สไพร์ท่านทําเรื่องทอรยศพี่เจียนเย่อลงไปได้อย่างไรท่านทําแบบนี้คู่ควรกับเขาแล้วหรือ เสียงประชดประชันที่จงใจตะโกนให้ดังขึ้นดึงดูดความสนใจของผู้คนทันทีบรรดาคนในครอบครัวทหารที่เดินผ่านไปมาต่างก็รู้จักเจิ้งหยุนชงและโจเจี้ยนเย่ยต่างพากันหยุดดูเรื่องสนุกหลิหวันมองตามเสียงนั้นไปแล้วสบเข้ากับใบหน้าที่โกรธจัดจนถึงขีดสุดโจเจี้ยนเ ย, ย่พ่อราคาถูกของนางนั่นเอง